ท่านรู้สึกเลื่อมใสในความคิดที่ท่านค้นพบด้วยตนเองยิ่งไปกว่าความคิดซึ่งผู้อื่นค้นพบและใส่จานเงินยื่นส่งให้ท่านหรือเปล่าถ้าเช่นนั้นจริงเป็นของแน่เหลือเกินที่ท่านจะต้องพยายามผลักดันความคิดของท่านให้คนอื่นรับไว้ใช่ไหมมันจะไม่เป็นการฉลาดกว่านี้หรือถ้าหากท่านเพียงแต่หาหรือความคิดของท่านกับอีกฝ่ายหนึ่งและให้อีกฝ่ายหนึ่งใคร่ครวญดูเพื่อตัดสินใจของเขาเอง ขอยกตัวอย่างดังนี้มิสเตอร์อาร์ดอบเซลแห่งเมืองฟิอาเดลเฟียเป็นสิทธิของข้าพเจ้าในชั้นหนึ่งเผชิญกับความจำเป็นที่จะสนับสนุนกำลังใจคนเดินตลาดขายรถยนต์มูหนึ่งซึ่งรู้สึกท้อถอยในงานและปฏิบัติงานไม่เป็นประเพียบให้เป็นผู้กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลงานเขาเรียกประชุมคนเดินตลาดเหล่านั้นและขอร้องให้บอกอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาทุกคนหวังจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนจากเขาในขณะคนเดินตลาดเหล่านั้นพูดมิสเตอร์เซลเขียนลงบนกระดานดำว่าคนคนหนึ่งมีความคิดอย่างไรบ้างครั้นแล้วเขาพูดผมจะให้สิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างซึ่งคุณหวังจะได้รับจากผมแต่นี่นะคุณผมอยากให้คุณช่วยชี้แจงแก่ผมว่าผมจะมีโอกาสได้รับสิ่งใดจากคุณบ้างคาตอบมาจากคนเดินตลาดเหล่านั้นถี่และเร็วความซื่อสัตย์ ความสุจริตความริเริ่มความพยายามที่จะให้กิจการก้าวหน้าไปด้วยดีความร่วมมือระหว่างกันความขยันขันแข็งที่จะทํางานวันละแปดชั่วโมงคนเดินตลาดคนหนึ่งแสดงความจําำงว่าจะทํางานวันละสิบสี่ชั่วโมงการประชุมยุติลงด้วยคนเดินตลาดเหล่านั้นรู้สึกเข้มแข็งทะมัดทะแมงอันเพิ่งตื่นตัวขึ้นมาซึ่งมิสเตอร์เซล์แจ้งผลให้ข้าพเจ้ารู้ว่าตัวเลขขายรถยนต์ ได้ถีบสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหาัศจรรย์คนเดินตลาดเหล่านี้ทำความเข้าใจกับผมโดยอาศัยหลักความช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมิสเตอร์เซลพูดและตราบใดผมดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็โดยอาศัยหน้าที่ในงานนี้เขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็โดยอาศัยหน้าที่ในงานของเขาเช่นเดียวกันดังนั้นการปรึกษาหารือกับเขาถึงความปรารถนาของเขา จึงเป็นสิ่งที่ถูกใจเขาอย่างที่สุดไม่มีบุคคลใดชอบถ้าหากเขาต้องจำใจซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือถูกสั่งให้ทำน้นทำนี่เราจะสบายใจถ้าการซื้อนั้นกระทำไปโดยอาศัยความสมัครใจของเราหรือเราทำงานตามความคิดของเราเองเราชอบให้ผู้อื่นมาพูดกับเราเป็นการปรึกษาหาหรือว่าเรามีความประสงค์อย่างไรต้องการอะไรและคิดเช่นใดเป็นต้นว่า ขอยกตัวอย่างของยูยีนเวสันเขาขาดรายได้ค่านายหน้านับจำนวนพันพันเหรียญก่อนเขาจะเรียนรู้ถึงความจริงในเรื่องนี้มิสเตอร์เวสันมีอาชีพเป็นคนขายรูปเขียนของห้องวาดภาพแห่งหนึ่งซึ่งออกแบบสำหรับร้านตัดเสื้อผู้หญิงทันสมัยและในโรงงานทอผ้าทั่วไปเขาแวะที่ร้านตัดเสื้อชั้นนำแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้ง ตลอดเวลาสามปีเพื่อขายภาพแบบเสื้อนำสมัยให้แก่ร้านนี้บ้างเจ้าของร้านไม่เคยปฏิเสธที่จะพบผมมิสเตอร์เวสันกล่าวแต่เขาไม่เคยซื้อภาพแบบเสื้อเลยเขามักจะมองดูภาพเขียนอย่างถี่ถ้วนละเอียดละออและมักจะพูดเสียใจเวสันผมคิดว่าวันนี้ยังไม่มีโอกาสที่เราจะติดต่อกันหลังจากการติดต่ออันไร้ผลมาหนึ่งร้อยห้าสิบครั้งเวสันจึงเกิดความรู้สึกว่า สติปัญญาของเขาคงบกพร่องไปเสียแล้วเหตุนี้เองเขาจึงตกลงใจสละเวลาตอนหัวค่ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับการศึกษาวิชาจูงใจคนเพื่อความคิดจะได้ฉลาดปราดเปรียวและกระตุ้นให้เขาเกิดความกระตือรือร้อนแปลกแปลกใหม่ๆจากการศึกษานี้เองเขาได้พบวิธีใหม่ในการติดต่อเขาหยิบภาพหกแผ่นซึ่งจิตกรวาดค้างไว้แล้วนาไปยังห้องทางานของเจ้าของร้านตัดเสื้อผู้นั้น ผมอยากให้คุณช่วยเหลือผมสักเล็กน้อยถ้าคุณไม่ขัดข้องเขาพูดภาพเหล่านี้ยังวาดไม่เสร็จคุณโปรดบอกผมหน่อยได้ไหมว่าผมจะให้ช่างเขียนวาดอย่างไรต่อไปคุณจึงเห็นว่าพอใช้การได้เจ้าของร้านมองภาพเหล่านั้นอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่ได้กล่าวคำพูดแต่อย่างใดครั้นแล้วพูดทิ้งมันไว้กับผมสักสองสาวันส่เวสันแล้วคุณค่อยกลับมาหาผมใหม่สามวันต่อมาเวสันมาหาอีกครั้งหนึ่ง ได้รับคำแนะนำจากเจ้าของร้านแล้วเขานำภาพเหล่านั้นกลับไปยังห้องวาดภาพและบอกให้ช่างเขียนวาดต่อตามความประสงค์ของเจ้าของร้านผลหรือท่านเจ้าของร้านตัดเสื้อรับซื้อไว้ทั้งหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเก้าเดือนมาแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าของร้านผู้นี้สั่งให้วาดอีกหลายสิบภาพทุกภาพวาดตามความคิดของเขาผลก็คือเวสันได้ค่าในหน้าจากภาพเหล่านั้นถึง หนึ่งพันหกร้อยเหรียญเศษมาเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจดีแล้วว่าทำไมผมจึงล้มเหลวที่จะขายภาพให้ผู้ซื้อคนนี้มาเป็นเวลาหลายปีมิสเตอร์เวสันพูดผมเสนอขายให้เขาโดยคิดว่าภาพเหล่านั้นเหมาะสมกับเขาเดี๋ยวนี้ผมทาตรงกันข้ามผมเสนอให้เขาบอกความคิดของเขาแก่ผมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนออกแบบและเขาเป็นคนออกแบบจริงๆเวลานี้ผมไม่ต้องเสนอขายให้เขาแต่เขาซื้อเอง เมื่อตอนทีโอโดร์โรสเวลเป็นข้าหลวงแห่งรัฐนิวยอร์กเขาแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นพิเศษกล่าวคือเขารักษาไมาตรีกับผู้เป็นหัวหน้าพักการเมืองทั้งหลายให้ดำรงอยู่ด้วยดีแม้ว่าเขาปฏิรูปบางอย่างซึ่งคนเหล่านั้นไม่พอใจอย่างที่สุดตอนนี้ไปคือวิธีที่เขาปฏิบัติเมื่อตำแหน่งสำคัญว่างลงเขาเชื้อเชิญหัวหน้าพักการเมืองทั้งหลายมาขอความเห็นว่าควรจะบรรจุใคร ในตอนแรกรดเวลกล่าวเขาเหล่านั้นจะเสนอชื่อคนในพักของเขาซึ่งหย่อนความสามารถและต้องคอยดูและระมัดระวังมาให้ผมผมจะบอกว่าการบรรจุคนในตำแหน่งสำคัญสคัญเช่นนี้ถ้าไม่ใช้ผู้สามารถเชี่ยวชาญแล้วจะเกิดความเสื่อมเสียเพราะประชาชนไม่เห็นด้วยครั้นแล้วเขาเหล่านั้นจะเสนอชื่อใครอีกคนหนึ่งซึ่งสังกัดอยู่ในอีกพักหนึ่งเป็นผู้ย่อนความสามารถเช่นเดียวกัน และเป็นบุคคลชนิดที่ทำงานเพื่อหวังยึดตําแหน่งเป็นอาชีพและเป็นคนประเภทที่ถ้าไม่ได้รับประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่อย่างเต็มที่เขาจะไม่พอใจในงานนั้นเลยผมบอกหัวหน้านักการเมืองเหล่านั้นว่าคนคนนั้นยังไม่มีคุณสมบัติดีพอตามที่ประชาชนคาดหมายและผมขอร้องหัวหน้าพักการเมืองเหล่านั้นให้พิจารณาใครอีกสักคนหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่โดยแท้จริง การให้ความเห็นครั้งที่สามของเขาเหล่านั้นปรากฏว่าเป็นใครคนหนึ่งที่เกือบจะเหมาะสมแต่ยังไม่ดีพอทีเดียวผมกล่าวขอบคุณเขาเหล่านั้นขอร้องให้ช่วยกันออกความเห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งที่สี่นี้ผมรับรองว่ารับไว้โดยไม่มีข้อขัดข้องคราวนี้เขาเสนอชื่อคนที่ผมเองก็ตั้งใจจะเลือกอยู่เหมือนกันผมกล่าวคำขอบคุณในความร่วมมือของเขาเหล่านั้นรับรองจะบรรจุคนที่เสนอมา ซึ่งการบรรจุนี้หัวหน้าพรรคการเมืองเหล่านั้นจะรู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติแก่พวกเขาผมบอกว่าการที่ผมได้ปฏิบัติเช่นนี้เพื่อเอาใจเขาคราวนี้ถึงเว้นที่เขาจะต้องเอาใจผมบ้างละหัวหน้าพรรคการเมืองเหล่านั้นเอาใจลดเวลจริงๆโดยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายค่ารัฐการพลเรือนและกฎหมายการเสียภาษีของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่าลืมว่าโรดเวลได้รับผลอันงามในการปรึกษาหารือกับผู้อื่นและเคารพต่อคำแนะนำนั้นเมื่อโรดเวลมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญที่จะบรรจุเขาทำให้หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆรู้สึกว่าเขาต่างเป็นผู้เลือกคนที่เหมาะสมทั้งนี้เป็นการทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่าความคิดในเรื่องนี้เป็นของพวกเขาพ่อค้ารถยนต์ผู้หนึ่งที่เกาะลองไอแลนด์ใช้ลูกไม้นี้ในการขายรถยนต์ใช้แล้วคันหนึ่ง ให้ชาวสกอตและเมียพ่อค้าผู้นี้เอารถยนต์ไปให้ชาวสกอตดูคันแล้วคันเล่าแต่ไม่เป็นที่ตกลงกันเสียร่ำไปไม่เป็นที่ถูกใจเครื่องไม่ดีราคาแพงมากไปราคามักจะแพงมากไปเสมอทุกคราวเนื่องจากเหตุดังกล่าวพ่อค้ารถยนต์ซึ่งเป็นนักศึกษาในชั้นชั้นหนึ่งของข้าพเจ้าได้ขอร้องให้นักศึกษาอื่นๆและข้าพเจ้าช่วยออกความคิดว่าควรทาอย่างไรดี เราแนะนําให้เขาเลิกความพยายามที่จะขายรถยนต์ให้แซนดี้แต่ให้แซนดี้เป็นผู้สมัครใจซื้อเองและเราแนะนําว่าแทนจะบอกแซนดี้ว่าควรทําอย่างไรทําไมไม่ปล่อยให้แซนดี้บอกเขาว่าเขาควรทําอย่างไรนั่นก็คือทําให้แซนดี้รู้สึกว่าความคิดเป็นของตนเองแน่ละ่ะเป็นคําแนะนําที่ดีอย่างยิ่งเหตุนี้เองอีกสองสามวันต่อมา เมื่อลูกค้าคนหนึ่งของพ่อค้าขายรถยนต์เอารถยนต์คันเก่ามาเปลี่ยนกับคันใหม่พ่อค้ารถยนต์เห็นว่ารถคันเก่านี้คงถูกใจแซนดี้เขาจึงยกโทรศัพท์พูดขอร้องแซนดี้ว่าจะขอบคุณอย่างยิ่งถ้าแซนดี้กรุณามาหาเขาเพื่อเขาจะขอคําแนะนําสักเล็กน้อยเมื่อแซนดี้มาถึงพ่อค้ารถยนต์พูดในฐานะคุณเป็นคนซื้อรถยนต์ที่เฉลียวฉลาดคุณย่อมรู้ดีว่ารถคันไหนมีคุณค่าอย่างไรบ้าง คุณโปรดมาตรวจดูรถคันนี้และลองขับดูแล้วบอกผมว่าผมควรจะตีราคาเพื่อแลกรถคันใหม่สักเท่าไรแซนดี้ยิ้มกว้างและเต็มใจไปด้วยความภาคภูมิทั้งนี้ก็เพราะคำแนะนำของเขากลายเป็นสิ่งมีราคาสำหรับผู้อื่นและความสามารถของเขาได้รับการยกย่องเขารับรถคันนี้ไปตามถนนควีนจากแยกไมกาไปฟอร์เรสต์ฮิลแล้วจึงขับย้อนกลับมาถ้าคุณซื้อรถคันนี้ราวสาร้อยเหรียญ เขาแนะนำจะเหมาะสมมากถ้าเจ้าของรถยอมขายตามราคานี้คุณจะตกลงซื้อไว้เองไหมพอค้ารถยนต์ถาม300เหรียญแน่ละ่ะนั่นเป็นความคิดของแซนดี้ในการตีราคาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกอะไรเลยที่เขาตกลงซื้อรถคันนี้ไปในทันทีจิตวิทยาอย่างเดียวกันได้นำมาใช้โดยเจ้าของโรงงานสร้างเครื่องเอ็กซเรย์ผู้หนึ่งในการขายเครื่องนี้ให้แกโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในบรูกลิน โรงพยาบาลที่กล่าวแล้วสร้างสถานที่เพิ่มเติมและประสงค์จะตั้งห้องเอ็กซเรย์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกานายแพทย์แอลผู้เป็นหัวหน้าควบคุมแผนกเอ็กซเรย์ ray, ถูกตอมโดยคนเดินตลาดขายเครื่องเอ็กซเรย์นับไม่ถ้วนซึ่งทุกคนต่างบรรยายคุณความดีของเครื่องมือนี้ของบริษัทตนเสียอย่างน้ำท่วมทุ่งปรากฏว่ามีเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งมีไหวพริบเหนือไปกว่าโรงงานอื่นๆเขารู้วิธีชนะใจมนุษย์ยิ่งกว่ากัน เขาเขียนจดหมายถึงนายแพทย์แอลในทำนองนี้เมื่อเร็วๆนี้โรงงานของเราได้สร้างเครื่องเอ็กซเรย์แบบใหม่ขึ้นทางสำนักงานเพิ่งจะได้รับเครื่องแบบนี้เป็นจำนวนแรกจำนวนหนึ่งปรากฏว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องอยู่เรารู้ดีว่าไม่เหมาะที่จะนำไปใช้และเราปรารถนาที่จะแก้ไขใ ห, ให้มีสภาพดีกว่านี้เราจะขอบคุณท่านอย่างยิ่ง ถ้าท่านการุณาสละเวลาของท่านมาดูเครื่องนี้และให้ความคิดของท่านแก่เราว่าเราควรสร้างอย่างไรจึงเหมาะสมสำหรับใช้งานในทางการแพทย์ได้ผลมากกว่านี้ผมรู้ดีว่าท่านมีธุรยุ่งอย่างไรบ้างผมยินดีส่งรถของผมไปรับท่านซึ่งแล้วแต่ท่านจะนัดเมื่อใดผมรู้สึกโฉนดมากที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ดเตอร์แอลกล่าวขณะเขาเล่าเหตุการณ์นี้หน้าชั้น มันเป็นความโงนเจือปราบปลื้มต่อเกียรติที่เขาให้ผมผมไม่เคยได้รับการเชื้อเชิญจากบริษัททำเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อขอคำแนะนำมาก่อนเลยมันทำให้ผมเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญในระหว่างสัปดาห์นั้นผมติดธุระทุกๆคืนแต่ผมยอมงดการไปกินดินเนอร์ที่งานแห่งหนึ่งเสียเพื่อใช้เวลาตรวจดูเครื่องเอ็กซเรย์รายนี้ยิ่งผมได้ตรวจตรามากยิ่งขึ้นเท่าใดผมยิ่งพบความจริงว่าผมชอบเครื่องนี้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ไม่มีใครที่บริษัทนี้พยายามขายเครื่องเอ็กซเรย์ให้ผมเพราะความคิดที่จะซื้อมันสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเป็นของผมเองผมติดอกติดใจในคุณภาพอันเลิศของเครื่องนี้อย่างที่สุดและสั่งให้ไปส่งที่โรงพยาบาลได้เลยทีเดียวพันเอกเอ็ดเวิร์ดเอ็มเฮาส์เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในภารกิจของชาติและของโลกในขณะวูดโรวินซันเป็นประธานาธิบดี วินจันอาศัยพันเอกเฮาในการปรึกษาหาหรือความลับสำคัญสคัญและขอคำแนะนำไปยิ่งกว่าเขาเคยกระทากับรัฐมนตรีคนใดในชุดรัฐบาลของเขาพันเอกผู้นี้ใช้วิธีใดจูงใจท่านประธานาธิบดีหรือค่อนข้างโชคดีอยู่ไม่น้อยที่พันเอกเขาเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้แก่อาเธอร์ดีเฮาเดนสมิธซึ่งสมิธกล่าวถึงพันเอกเขาในข้อเขียนของเขาที่นาลงในนิตยสารเดซตตเดย์อีฟนิโพส หลังจากผมรู้จักกับท่านประธานาธิบดีเขาพูดผมได้เรียนรู้ว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะให้เขาเลื่อมใสในความคิดสักอย่างที่เสนอแก่เขาก็คือพูดให้ฝังอยู่ในจิตใจของเขาคล้ายๆกับไม่ตั้งใจแต่คําพูดนั้นสามารถทําให้เขาทึ่งเพื่อเขาจะได้คิดแล้วคิดอีกผมทําสําเร็จในครั้งแรกโดยบังเอิญแท้ๆคืนวันหนึ่งผมแวะเยี่ยมเขาที่ทําเนียบไบเฮาส์และรบเร้าให้เขาใช้นโยบายอย่างหนึ่ง ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเลยแต่ครั้นต่อมาอีกหลายวันที่โต๊ะดินเนอร์เขาทําให้ผมประหลาดใจที่ได้ยินเขาอวดนโยบายใหม่ของเขาเองอย่างหนึ่งซึ่งแท้จริงก็คือนโยบายที่ผมได้แนะนําแก่เขานั่นเองท่านคิดว่าเขาจะแย้งเขาและพูดนั่นไม่ใช่เป็นความคิดของท่านนี่ครับเป็นความคิดของผมต่างหากไหมเปล่าเลยท่านเขาไม่ได้เป็นคนชนิดนั้นเขาเป็นคนมีสติปัญญาลึกซึ้งจึงไม่ยอมทําเช่นนี้ เขาไม่เอาใจใส่ว่าเขาได้รับเกียรติในฐานะเจ้าของความคิดนั้นหรือไม่สิ่งที่เขาต้องการก็คือผลอันจะเกิดจากความคิดของเขาเท่านั้นเองด้วยเหตุดังกล่าวเขาจึงปล่อยให้วินซันเข้าใจไปว่าความคิดนี้เป็นของวินซันเองต่อไปเรื่อยๆเขาได้กระทายิ่งไปกว่านี้อีกเขากล่าวเปิดเผยต่อประชาชนว่าความคิดนี้และความคิดอื่นๆอีกมากที่เขาแนะนาวินซัน เป็นของวินซันเองเราจงจำไว้ว่าผู้ที่เราจะติดต่อด้วยทั้งหลายพรุ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกับวูดโรวินซันดังนั้นเราจงใช้เทคนิคของพันเอกเขากับเขาเหล่านั้นชายคนหนึ่งในเมืองนิวบรันสวิกเอาเทคนิคอันนี้มาใช้กับข้าพเจ้าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ผลก็คือข้าพเจ้าต้องอุดหนุนเขาในตอนนั้นข้าพเจ้าคิดจะเดินทางไปตกเบ็ดและพายเรือแคนูที่นิวบันสวิกประเทศแคนาดา จึงเขียนจดหมายติดต่อขอคําแนะนําจากสํานักงานท่องเที่ยวชื่อของข้าพเจ้าและที่อยู่ถูกนําไปโฆษณาในรายการผู้มีความประสงค์จะท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเหตุนี้เองจึงมีจดหมายสมุดนําเที่ยวและสําเนาจดหมายชมเชยบ้านพักและไกด์ส่งประดังมายัางข้าพเจ้านับจํานวนเป็นสิบๆข้าพเจ้างงงวยโดยไม่รู้ว่าควรเลือกติดต่อกับรายใดแต่มีเจ้าของบ้านพักแห่งหนึ่งใช้วิธีการอันเฉลียวฉลาดมาก เขาส่งรายชื่อและเลขโทรศัพท์ของชาวนิวยอร์กจำนวนหนึ่งซึ่งเคยไปพักกับเขาและเขารับใช้มาแล้วมาให้ข้าพเจ้าและขอร้องให้ข้าพเจ้าลองโทรศัพท์ถามชาวนิวยอร์กเหล่านั้นเพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวของข้าพเจ้าเองว่าบริการของเขาดีเลวอย่างไรบ้างปรากฏว่าในรายชื่อนั้นข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์ถามเขาได้พบความจริงว่าเจ้าของบ้านพักรายนี้เป็นอย่างไร จึงโทรเลขติดต่อกำหนดวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปคนอื่นๆพยายามที่จะขายบริการของเขาให้แก่ข้าพเจ้าแต่นายคนนี้กลับให้ข้าพเจ้าเป็นคนขายตัวของข้าพเจ้าแก่เขาเขาชนะดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฏที่แปดมีดังนี้จงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าความคิดเป็นของเขาเมื่อยี่สิบห้าศตวรรษมาแล้วเล่าจื้อ นักปราชญ์จีนได้กล่าววาทะบางอย่างซึ่งผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรจะนำมาปฏิบัติในปัจจุบันเหตุที่แม่น้ำลำคลองและทะเลทั้งหลายสามารถจะต้อนรับสายน้ำหลายร้อยจากภูเขาเนื่องจากแม่น้ำลำคลองและทะเลเหล่านั้นอยู่ต่ำกว่าสายน้ำจากภูเขาเพราะฉะนั้นแม่น้ำลำคลองและทะเลจึงเก่งเหนือไปกว่าสายน้าจากภูเขาโดยที่สามารถรับกระแสทั้งหมดไว้ได้ ผู้ที่เฉลียวฉลาดถ้าปรารถนาจะอยู่เหนือผู้อื่นจะต้องท่อมตนให้อยู่ต่ำกว่าผู้อื่นถ้าปรารถนาจะอยู่หน้าผู้อื่นจะต้องทำตนให้อยู่หลังผู้อื่นดังนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้มีบุญบาสนาเหนือไปกว่าผู้อื่นแต่เขาจะไม่หยิ่งพยองและถือว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะมีบุญบาสนานำหน้าผู้อื่นเขาจะไม่อวดเด่นให้บาดใจผู้อื่น